วันนี้เป็นวันที่13เมษายนพุทธศักราช2561เป็นวันขึ้นขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเรียกว่าวันสงกรานในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเหล่านี้เป็นธรรมเนียมของชาวไทยพุทธ ที่จะเข้าวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่จิตใจเพราะมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจของเรายังอยู่และจะไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำกันเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจึงมาทำบุญมาละบาปกันเพราะการทำบุญจะทำให้เรา มีความสุขกันการทำบาปจะทำให้เรามีความทุกข์กันนั่นเองเราจึงพยายามที่จะไม่ทำบาปกันด้วยการรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็พยายามทาบุญให้มากๆเท่าที่เราจะทำได้เพราะการทาบุญนี้จะ เป็นสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองใจของเราให้มีความสุขการไม่ทำบาปก็จะป้องกันใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้รุ่มร้อนไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้หวาดกลัวนี่คือศรัทธาที่เชื่อว่า เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นจิตใจที่มามามาเชื่อมต่อกับร่างกายเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ใจของพวกเรานี้เป็นผู้รู้ผู้คิดและส่งกระแสการรับรู้มาเกาะติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เวลาที่ตาเห็นรูปใจก็จะได้เห็นรูปด้วยเวลาที่หูได้ยินเสียงใจก็จะได้ยินเสียงด้วยอันนี้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจของพวกเราอยู่ตรงการเชื่อมต่อระหว่างใจกับร่างกายด้วยตัวเชื่อมที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้มีอยู่ห้าเส้นด้วยกันห้าสายทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณ ทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณนี่คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตใจใจจึงเป็นเหมือนผู้รู้ผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับสมัยนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการที่เราจะติดต่อสื่อสาร กับผู้อื่นเราต้องมีโทรศัพท์มือถือเราจึงสามารถที่จะติดต่อกับผู้อื่นที่มีโทรศัพท์มือถือได้แต่โทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นของที่ชั่วคราวใช้ไปใช้ไปมันก็จะชารุดสุดโทรม แล้วต่อไปมันก็จะใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องใหม่ที่ดีกว่าเครื่องเก่าเพราะทุกปีเขาจะมีการพัฒนาเครื่องโทรศัพท์มือถือนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆน่างกายของพวกเราก็เหมือนกัน ร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ใจของเราใช้กับการติดต่อกับร่างกายของคนอื่นถ้าใจไม่มีร่างกายเช่นร่างกายตายไปใจก็จะไม่สามารถติดต่อกับร่างกายของคนอื่นได้เช่นคนที่เรารู้จักเวลาที่เขาตายไปเขาก็จะไม่สามารถ ติดต่อกับเราได้เพราะเขาไม่มีเครื่องมือเขากําลังไปหาเครื่องมือเครื่องใหม่กําลังไปหาที่เกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เท่านั้นเองการตายก็มีเท่านี้เองการตายของร่างกายก็เป็นเหมือนกับการเสียโทรศัพท์มือถือไปเท่านั้นเองแต่คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่ได้เสียไปกับโทรศัพท์มือถือฉันใดใจผู้ที่ใช้ร่างกายก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังอยู่อยู่แบบไหนก็อยู่แบบตอนที่เรานอนหลับนั่นแหละเวลาที่เรานอนหลับนี้เราก็ไม่มีเราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนนั้นร่างกายนอนอยู่เฉยๆก็เหมือนกับคนตาย เพียงแต่ว่ายังไม่ตายจริงตายชั่วคราวตายชั่วขณะที่พักผ่อนนอนหลับอยู่ประมาณห7เจ็ดแปดชั่วโมงช่วงนั้นใจยังอยู่แล้วใจยังทำกิจกรรมของใจต่อไปกิจกรรมที่ใจทำอยู่ในช่วงที่ไม่มีร่างกายนั้นก็คือกำลังฝันไป ใจเวลาฝันก็ฝันได้สองรูปแบบด้วยกันฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ได้ฝันไม่ดีก็ได้อะไรทำให้ใจเราฝันดีฝันไม่ดีฝันร้ายพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าใจที่ฝันร้ายนั้นเกิดจากใจที่ไปทำบาปมาเพราะเวลาไปทำบาปมาก็เหมือนกับการไปบันทึกภาพ ไปบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับเรามีกล้องถ่ายรูปในเครื่องมือถือถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเช่นมีการฆ่ากันมีการทะเลาะวิวาทกันมีการทำร้ายกันมีอุบัติเหตุมีอุบัติภัยต่างๆเราก็บันทึกภาพเหล่านั้นไว้แล้วเวลาเรากลับมาบ้านเราก็เปิดดู เหตุการณ์เหล่านั้นได้ฉันใดเวลาที่เราตื่นนี้ก็เป็นเหมือนเวลาที่เราเอากล้องไปบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทำกันบางวันเราก็ทำเรื่องที่ดีเราทำบุญเราก็จะบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ที่ดีบางวันเราก็ไปทำบาปไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ ไปทะเลาะวิวาทกันไปชิงดีชิงเด่นกันไปทำร้ายทำลายกันเหตุการณ์ต่างๆที่เรากระทำกันในขณะที่เราตื่นนี้ถูกบันทึกไว้หมดในใจของพวกเราและเวลาที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ความคิดใจเราเลยใช้สิ่งที่เราไม่ได้บันทึกไว้มาเป็น สิ่งที่มาแสดงให้ใจเราเห็นก็เหมือนกับเราเปิดเครื่องมือถือที่เราได้ไปถ่ายภาพถ่ายอะไรไว้แล้วก็มาเปิดดูย้อนหลังฉันใดเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เปลี่ยนกระทําไว้เพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากการจาก การกระทําของเราเป็นการถูกกระทําไปเราไปทําอะไรใครเขาในฝันเราก็จะฝันว่าเขาจะมากระทาอะไรกับเราถ้าเราไปทําดีไปช่วยเหลือเขาไปให้ความสุขกับเขาเวลาเราฝันเราก็จะฝันว่าเขาจะมาให้ความสุขกับเรามาช่วยเหลือเราถ้าเราไปทําร้ายเขา ไปทาให้เขาเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายเวลาเราฝันเราก็จะฝันกลับกันฝันว่าเขามาทำร้ายเรามาทำลายเรามาสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรานี่นี่แหละคือที่มาของความฝันดีหรือฝันร้ายก็จากการทำดีหรือทำไม่ดีของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ นั่นเองในขณะที่เราตื่นในขณะที่เราไม่ได้นอนเราก็ไปทำอะไรต่างๆในวันวันหนึ่งนี้เรามีการกระทำสามรูปแบบด้วยกันรูปแบบหนึ่งก็คือการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปคือการกระทำที่ไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหาย หรือได้ประโยชน์เราเรียกว่าเป็นการกะระทําที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นวันวันหนึ่งส่วนใหญ่เราจะกะระทำกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเช่นเราต้องดูแลรักษาร่างกายเราก็ต้องเดินขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไปทํางานกิจกรรมเหล่านี้เรา เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งผลทางบวกหรือทางลบคือไม่ได้เป็นบุญหรือไม่ได้เป็นบาปกิจกรรมที่จะเป็นบุญก็ต่อเมื่อเราได้ไปทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเช่นเราไปทํางานเราก็เอาขนมไปฝากเพื่อนอย่างนี้เราก็เรียกว่าเราได้ทําบุญหรือก่อนจะออกจากบ้านมีพระผ่านมาที่บ้านเราก็ตักบาตรใส่บาตร อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเรียกว่าการการทำบุญเราก็จะบันทึกภาพกิจกรรมเหล่านี้ไว้ในใจของเราเวลาเราออกไปข้างนอกบ้านเราอาจจะไปทาอะไรที่เสียหายก็เรียกว่าเป็นการทำบาปเช่นเราไปโกหกคนนั้นคนนี้ไปหลอกลวงคนนั้นคนนี้หรือไปโกงเอาทรัพย์ของเขามา เวลาทำมาหากินบางครัง้งบางคราวเราก็อาจจะช่อโกงอันนี้ก็เป็นการทำบาป ก, กิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันนี้ก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในใจของพวกเราและเวลาที่เรานอนหลับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในฝันของของพวกเรานี่คือผลของการทำบุญหรือทาบาปลืม การกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปมันจะออกมาในรูปแบบของความฝันถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่เราก็จะฝันชั่วคราวฝันชั่วขณะที่ร่างกายนอนหลับแต่ถ้าเราตายไปเราก็จะฝันยาวเวลาร่างกายตายไปก็เหมือนกับนอนหลับเพียงแต่ว่านอนหลับแบบไม่ตื่นจะตื่นขึ้นมาอีกทีก็ต่อเมื่อ เราได้ร่างกายอันใหม่ได้กลับมาเกิดใหม่ช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงนั้นเรามีแต่ดวงวิญญาณที่จะฝันดีหรือฝันร้ายขึ้นอยู่กับอํานาจของบุญหรือของบาปที่เราได้ทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองนะช่วงนั้นอะ่ะคือเป็นช่วงที่เราจะไปสวรรค์หรือไปอบายกัน สวรรค์ก็คือฝันดีฝันแต่เรื่องที่ทําให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความสดชื่นมีความดีใจเพราะมีแต่เรื่องดีๆให้เราได้รับรู้ช่ว <Yeah. S 1> งนั้นก็เป็นอิทธิพลของบุญที่เราทําไว้เพราะเราได้บันทึกเราได้กระทําบุญไว้เยอะเราได้บันทึกภาพของการทําบุญไว้เยอะนั่นเองภาพของการบันทึก ภาพที่เราได้บันทึกของการทำบุญมันก็จะปรากฏมาให้เราเห็นในขณะที่เราไม่มีร่างกายหรือไม่ได้ใช้ร่างกายถ้าเราไปทำบาปเพื่อมากเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็จะฝันแต่ฝันร้ายมแีแต่เรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้ช่วงนั้นเราก็จะเรียกว่าเราอยู่ในอบาย อยู่ในสภาพของเปรตหรือสภาพของอสุรกายหรือสภาพของนรกสภาพของนรกก็มีแต่ความร้อนความรุ่มร้อนเหมือนไฟเผาจิตใจด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทถ้าเป็นเรื่องของอสุรกายก็เป็นเรื่องของหวาดความหวาดกลัวต่างๆการที่ไปพบกับภัยอะไรต่างๆ ที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวเช่นเจอสิงสาราสัตว์เจอบุคคลที่โหดร้ายทารุณเจอสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นพิษเป็นภัยต่อต่อเราเราก็จะฝันแบบนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพของอสุ ร, รกายถ้าเราอยู่ในสภาพของเปรตก็จะอยู่ใน จะมีลักษณะแบบมีแต่ความหิวโหอยอยู่ตลอดเวลาหาอะไรมาได้กินมากได้กินมากกินน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออันนี้เป็นเรื่องของบาปที่เราได้ทำไว้ท่านบอกว่าถ้าเราทำบาปด้วยความโลภด้วยความอยากได้มากมากอยากมีมากมากอันนี้ก็จะทำให้เราฝันแบบเปรตอยู่ในสภาพของเปรต มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความอยากมีความแต่ต้องการอยู่เรื่อยๆได้เท่าไหร่มาก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะเกิดพิษเป็นภัยกับเราเราก็เลยต้องไปทำร้ายผู้อื่นทำร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่เพื่อป้องกันชีวิตของเราอันนี้มันก็จะทำให้เรามีแต่ความหวาดกลัว ทำบาปด้วยความหวาดกลัวเวลานอนหลับฝันก็จะฝันแต่เรื่องที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวต่างๆถ้าเราไปทำบาปเพราะเราโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราเวลานอนหลับเราก็จะฝันแต่เรื่องที่มีแต่ความเครียดแค้นพยาบาทอันนี้เป็น <c oughs> เรื่องของอบาย ที่เกิดจากการทำบาปถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปว่าบาปทำแล้วมีโทษตามมาเราก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนักเป็นวัวเป็นควายเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของผลของการทำบาป หลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแต่ใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ต้องไปรับกับผลบาปที่เราทำไว้ถ้ายังไม่ตายเราก็จะฝันร้ายฝันแต่เรื่องไม่ดีดังนั้นเราจะรู้ก่อนตายเซี่ยด้วยซ้าไปว่าเวลาที่เราตายไปแล้วนี้เราจะไป ดีหรือไปไม่ดีดูที่ความฝันของเราถ้าเรานอนหลับแล้วฝันลายอยู่เรื่อยนี้มันบ่งบอกแล้วว่าเรากำลังจะไปสู่อบายแต่ถ้าเรานอนหลับแล้วมีแต่ฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆฝันที่ทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความโน่มเย็นเป็นสุขอันนี้มันก็จะบ่งบอกว่าใจของเรานี้จะไปสวรรค์ เพราะใจของเรานี่แหละเป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างอบายขึ้นมาด้วยการกระทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองอันนี้เป็นเรื่องของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจะต้องไปแห่งใดแห่งหนึ่งไปในสภาพใดสภาพหนึ่งความจริงสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่ เป็นสภาพของความฝันของใจนใจสร้างสวรรค์ขึ้นมาใจสร้างอบายขึ้นมาสร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเพราะใจไปบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ก่อนนั่นเองเวลาเราไปทำบุญเราก็บันทึกภาพเหตุการณ์ที่ดีเก็บไว้เวลาเราไปทำบาปเราก็ไปบันทึกภาพเหตุการ์ที่ไม่ดีเก็บเอาไว้ภาพเหล่านี้แหละที่เราไปบันทึกไว้ด้วยการกระทาของเรา มันจะโผล่ขึ้นมาในขณะที่เราไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนเราจึงมีความฝันกันฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างถ้าไม่มีร่างกายเลยมันก็จะฝันยาวเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจเราจะฝันยาวฝันไปจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันใหม่ พอเราได้ร่างกายอันใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาใหม่แต่ตื่นกับร่างกายอันใหม่ร่างกายอันเก่ามันหมดสภาพแล้วเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันนี้พอมันเสียมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องโยนทิ้งไปแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องใหม่เราจะซื้อเครื่องใหม่ที่ที่ดีกว่าเก่าหรือไม่ดีกว่าเก่า ก็อยู่ที่กําลังของเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าเรามีเงินทองมากเราก็สามารถซื้อเครื่องใหม่ที่ดีกว่าเครื่องเก่าได้ถ้าเรามีเงินทองที่น้อยกว่าก็จะไม่สามารถซื้อเครื่องซื้อเครื่องที่จะดีกว่าเครื่องเก่าได้เวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะทำให้เราเกิดมาดีกว่าเก่าหรือไม่ดีกว่าเก่า ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้นี่แหละหลังจากที่เราตายไปเราก็ฝันดีฝันร้ายไปแล้วพอเราเกิดใหม่เราก็จะได้ร่างกายอันใหม่ถ้าเราไปอบายมาถ้าเราฝันร้ายตอนที่เรานอนหลับตอนที่เราตายพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีเท่ากับร่างกายอันเก่าเพราะนี้เป็นอาอ น, นิีสง ของบาปที่เราได้ทํเอาไว้เวลาเรากลับมานี่เราจะกลับมาด้อยกว่าเกา่สาสถานการเงินก็จะเร็วกว่าเกา่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็จะด้อยกว่าเกา่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราตายไปแล้วเราฝันดีเราเป็นได้ทําบุญมากเวลาเรากลับมาเราก็จะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเกา่า ร่างกายที่มีผิวพรรณผ่องใสสวยงามมากกว่าเก่ามีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเก่าเพราะนี่เป็นอนิสงค์ของการทําบุญทําบาปที่เราได้ทํากันไว้ในชาติก่อนนั่นเองชาตินี้เรามาเกิดเราจึงมีสถานภาพไม่เหมือนกันมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่เหมือนกัน แม้จะเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ต่างเราก็ยังมีความแตกต่างกันความแตกต่างกันนี้เกิดจากบุญและบาปที่เราได้ทำในอดีตชาตินั่นเองถ้าเราได้ทำบุญมากกว่าบาปเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีร่างกายที่ดีกว่าเกา่าดีกว่าชาติก่อน มีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าชาติก่อนมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากกว่าชาติก่อนเพราะนี่เป็นสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ภายในใจแล้วมันจะเป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายของเรานี้เป็นไปตามที่เราได้กระทำไว้สะสมะไว้ในใจของเราพี่น้องที่มาจากพ่อแม่คนเดียวกันเนี่ย ยังมีความแตกต่างกันทั้งในรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเวลาโตขึ้นก็มีฐานะการเงินการทองที่ไม่เหมือนกันบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนก็เรียนได้สูงบางคนก็เรียนไม่ได้สูงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอนิสง์ผลของบุญของบาปของการกระทําที่เราได้ทําไว้ในชาติก่อนๆนี่เอง เช่นเดียวกับการกระทาของเราในชาตินี้มันก็จะส่งผลให้เราได้ไปเป็นอะไรที่ต่างจากที่เราเป็นอยู่ขณะ น, นี้ถ้าถ้าเราทำบาปชาติหน้ากลับมาเราจะแย่กว่าเก่าเร็วกว่าเก่าถ้าเราทำบุญชาติหน้าเรากลับมาเราก็จะดีกว่าเก่านี่คือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธ มีความศรัทธามีความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบการตัดสุ้นี้ก็แปลว่าการได้ค้นพบเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราเกี่ยวข้องกับจิตใจของพระองค์เองพระองค์เองทรงได้ค้นพบเรื่องราวต่างๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทาไมจึงได้เป็นอย่างนั้นถึงได้เป็นอย่างนี้ทาไมถึงต้องมาเกิด ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธเจ้า เ, าเป็นผู้ทรงค้นพบว่าการที่เรายังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะ น, นี้ก็เพราะว่าเรามีผู้ที่คอยส่งให้เรามาเกิดนั่นเองผู้ที่ส่งให้เรามาเกิดนี้ก็คือความอยากต่างๆที่เรายังมีอยู่ในใจของพวกเรา เราต้องการอะไรพวกเรามีความอยากเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันสามประการคืออยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาแล้วพอได้ทรัพย์สมบัติก็ไม่อยากจะสูญเสียมันพอได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่อยากจะสูญเสียมันนี่คือความอยากได้และความอยากไม่ได้อยากได้อยากเป็น อยากได้เงินทองอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขพอได้มาแล้วก็ไม่อยากให้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ที่ได้มาไปแล้วเราก็อยากจะหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นกันอยากดูหนังฟังเพลงอยากเดิมเครื่องเดิมชนิดต่างๆอยากจะรับประทานอาหารรับ ประทานขนมนมเนยชนิดต่างๆเพราะเวลาที่เราได้กระทําสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีความสุขกันเราเลยต้องมีร่างกายเพราะถ้าเรามีความอยากเหล่านี้แล้วไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้เช่นคนตายนี้จะไปหาลาบยน่นสารเสริญก็ไม่ได้จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสจะไปดูหนังฟังเพลงจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ไปทำอะไรต่างๆเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่นี้ก็ทำไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราเสียร่างกายไปเราจึงต้องไปหาร่างกายอันใหม่กันไปเกิดใหม่กันเหมือนกับสมัยนี้เราใช้มือถือกันเป็นเหมือนกับชีวิตจิตใจส่วนหนึ่งของจิตชีวิตจิตใจถ้ามือถือมันเสียหรือหายไปในวันนี้เราจะทำยังไงตับรองได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือบ่ายนี้จะต้อง ไปหาเครื่องใหม่มาใช้ทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่มีมันแล้วเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรไปชีวิตเราไม่สมบูรณ์เจะะ้าเพราะเรามีความอยากที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราความสุขที่ได้จากการติดต่อกับคนที่เรารักอพอคิดถึงคนที่เรารักเรามีมือถือแล้วก็กดมือเบอร์เขา พอเขาลอบสายได้ยินเสียงของเขาเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราสูญเสียโทรศัพท์มือถือไปเราก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่เรารักได้ดยงนั้นพอมือถือหายไปนี่รับรองได้เดี๋ยวรีบไปหาซื้อมือถือเครื่องใหม่ทันทีเพราะอยากจะติดต่อกับคนที่เรารักคนที่เราชอบเพื่อเราได้รับความสุขจากการที่เราได้ติดต่อกับเขา เพราะเรายังอยากจะติดต่อกับเขาเราจึงต้องมีมือถือแต่ถ้าเราไม่เคยไม่อยากจะติดต่อกับใครไม่อยากจะใช้มือถือถ้ามือถือเสียไปหรือหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ต้องไปซื้อมือถือเครื่องใหม่กลายเป็นพาราซะอีกมีมือถือต้องคอยรักษาต้องคอยชาร์จแบตเวลาซ่อมเวลาเสียก็ต้องเอาไปซ่อม ถ้าเราไม่ต้องใช้มือถือก็ไม่ต้องมีมือถือก็ได้ไม่ต้องไปซื้อมือถือก็ได้แในร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนมือถือที่ใจของเราใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการความอยากต่างๆใจของพวกเราทุกคนอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราจึงต้องมีร่างกาย แล้วพอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ไปให้ได้นานที่สุดให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาร่างกายแก่ชรามันจะเป็นปัญหากับเราเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เหมือนกับเวลาถ้ามือถือมันเสียมันชำรุดนี่ มันก็เป็นเหมือนเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเอาเข้าซ่อมก่อนถ้าเป็นร่างกายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปซ่อมไปรักษาให้หายถ้าเป็นมือถือก็ส่งไปที่ร้านให้เขาซ่อมให้เหมือนกันเลยร่างกายของเรากับโทรศัพท์มือถือนี่เรายังผูกพันกับมันอยู่เพราะเราต้องใช้มันเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆให้กับเรา เพราะเรายังอยากหาความสุขในรูปแบบเหล่านี้อยู่นั่นเองเรายังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผู้ถภาต่างๆอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยากไปดูมหรศพบันเทิงอยากไปลิ้มรสของอาหารของเครื่องดื่มต่างๆอยากดื่มอยากรับประทานกันตลอดเวลา เราจึงต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจึงไม่อยากให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตาย น, นี่คือความอยากตัวที่ทำให้เรานี้ต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยเพราะเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้เราไม่สามารถหาความสุขได้เราก็ต้องหาความสุขจากบุญจากบาปที่เราทเท่านั้น เวลาที่เราร่างกายไม่มีเราเลือกไม่ได้ว่าจะหาความสุขหรือหาความทุกข์เพราะบุญกับบาปนี้มันจะเป็นตัวเลือกให้กับเราถ้าเราทําบาปเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็จะฝันแต่เรื่องที่ทําให้เรามีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทําบุญเวลาเราเนอนเวลาเราตายไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่เรารอไปรับร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นเราก็จะมีบุญมา ให้ความสุขกับเราแต่เรายังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังมีความอยากพอเราได้ร่างกายเราก็จะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขใหม่เหมือนกับเราได้มือถือเครื่องใหม่เราก็จะได้ติดต่อกับเพื่อนติดต่อกับคนที่เรารู้จักติดต่อกับคนที่เราอยากจะติดต่อด้วยได้ต่อไปแต่ถ้าเราเห็นว่า ความสุขที่เราได้จากการมีร่างกายนี้มันมีโทษตามมาคือมันมีส่วนที่ไม่ดีตามมาส่วนที่ไม่ดีของการมีร่างกายคืออะไรก็คือความทุกข์ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายพวกเราทุกคนนี้ต้องทุก์กับการคอยเลี้ยงดูร่างกายเราต้องคอยหาอาหารมาให้มันดื่มหาอาหารให้มันรับประทานหาน้ำดื่มหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัย หายารักษาโรคถ้าเวลาไหนที่เราไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้เวลาที่เราอยู่ในยุคอดอยากขาดแคลนลองไปดูประเทศที่เขาอดอยากขาดแคลนกันในประเทศแอฟริกาคนนี่พร้อมมีแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยนี่ก็คือโทษเรื่อภัยของการที่มาเกิดถ้ามาเกิดอยู่ในยุคที่อดอยาก ข่าวขายากมากแพงอะไรของแพงของหายากก็จะอยู่กันแบบทรมานกันหรือไปอยู่ในประเทศที่กำลังมีสงครามกลางเมืองกันมีการเข่นฆ่าฟันกันการมีร่างกายนี้แทนที่จะมีความสุขก็กลับกลายเป็นมีความทุกข์กันเราเห็นภาพข่าวในทางภาพที่เขาถ่ายมาที่ก็ฉายให้เราดูในข่าวสารต่างๆ มีการเข็นฆ่ากันด้วยอาวุธต่างๆนี่คือโทษของการมีร่างกายก็คือจะต้องมาทุกข์กับภัยอันตรายต่างๆที่จะมากระทบ ก, กับร่างกายและถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศที่ไม่มีภัยเหล่านี้ก็ตามมันก็ยังมีภัยในตัวของมันอยู่เช่นเราอยู่ในประเทศไทยที่ปลอดภัยจากสงครามปลอดภัยจากการอดอยากขาดแคลน แต่เราก็ยังมีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บมีเชื้อโรคต่างๆคอยเผยแพร่มาคอยเข็นฆ่าทําให้คนตายกันอยู่เรื่อยๆภัยจากเชื้อโรคบางทีก็ภัยจากทางธรรมชาติภัยจากน้ําท่วมภัยตอนนี้ก็มีภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เห็นไหมนี่หยุดเจ็ดวันนี้เขาว่าต้องมีคนตายอย่างน้อยเป็นพันขึ้นไปแล้ว อันนี้ก็เป็นภัยที่เกิดจากการมาเกิดกันการมีมามีร่างกายกันเวลาเราเดินทางนี้เราไม่มั่นใจกันใช่ไหมว่าจะไปถึงไปตลอดลอดฝั่งหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะไปจอดที่ไหนกลางทางไม่รู้ว่าจะไปนอนข้างถนนตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นภยัยเป็นโทษที่เกิดจากการมาเกิดหรือว่าถ้าเราไม่เดินทางเราอยู่บ้านเรา เราปลอดภัยจากภัยทางรถยนต์เราอยู่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแต่มันก็ยังมีภัยในตัวของร่างกายที่มันติดมาอีกก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่ตามมาอีกพอเราแก่เราเจ็บนี่เราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ดหดเหงื่ใจถ้าทุกข์มากๆก็จะซึมเศร้า ซึมเศร้ามากๆ ก, ก็อาจจะฆ่าตัวตายเมื่อเช้านี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนายทหารคนหนึ่งที่เขากเกษียณราชการก็ถามเขาว่าเวลากเกษียณได้บํนานาญเท่าไหร่เขาก็บอกว่าตอนนี้ได้สามหมื่นก็บอกว่าระยะแรกๆสามหมื่นก็พอแต่พอผ่านไปสิบปียี่สิบปีเงินมันจะหดลงหดลงข้าวของจะแพงขึ้ น, งนเงินเกษียณเงินบํนานาญจะไม่พอใช้ แล้วอายุก็จะมากขึ้นแก่ขึ้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากขึ้นพวกที่เป็นข้าราชการบํานาญบางคนเ้าข้าวตัวตายกันก็เพราะว่าเงินทองไม่พอใช้แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เ, เขาก็เลยอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ปัญหาเพราะเงินทองไม่พอใช้ที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุข เกอบางทีก็ฆ่าตัวตายกันนี่คือภัยต่างๆที่เกิดจากการมาเกิดกันถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะอาจจะไม่อยากจะมาเกิดกันก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดกันเราโชคดีเพราะเราได้เจอคนที่ไม่อยากจะมาเกิดคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นภัยของการมาเกิดของการมีร่างกาย ว่าในบ้านปลายของชีวิตนี้มันจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจหรือแม้แต่ตอนอื่นก็มีความเศร้ามีความทุกข์ให้เราได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆบางทีเราก็ต้องสูญเสียคนนั้นคนนี้ไปบางทีเราก็ต้องสูญเสียสิ่งที่เราลักไปต้องพัดพากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้ไปเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมามันก็ทําให้เราเบื่อเหมือนกัน ั้งทีเราก็ไม่อยากจะอยู่กันเหมือนกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับการที่เรามาเกิดกันแล้วถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดชาตินี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเราเพราะอะไรเราได้มาเจอคนที่รู้จักวิธีหยุดการเกิดได้หยุดการที่เราจะต้องมามาเจอกับภัยอันตรายต่างๆของการที่มาเกิดได้คือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละ เป็นผู้ที่ค้นพบวิธีที่จะหยุดการมาเกิดได้และการมาไม่มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุขนะเราจะมีความสุขมากกว่าการมาเกิดเพราะว่าใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนกับตอนที่เรามีร่างกายต่างตรงที่เราไม่ต้องมาเสี่ยงภัยอันตรายกับร่างกายเท่านั้นเองอยู่แบบปลอดภยัยอยู่แบบคนที่ไม่ต้องใช้มือถือ คนใช้มือถือก็ต้องมากังวลกับมือถือต้องคอยดูแลคอยชาร์จแบตคอยเอาไปซ่อมแล้วพอมันเสียก็ต้องไปหาเครื่องใหม่มาทดแทนแต่คนที่ไม่ไม่ต้องใช้มือถือนี่ก็สบายอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาดูแลเรื่องของเครื่องมือถือจะชาร์จแบตหรือไม่ชาร์จแบตแบตจะหมดหรือไม่หมดมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ต้องใช้มัน พระบุทธจาก็เลยส่งคนพบว่าถ้าก า, การที่เรามาเกิดก็เพราะเรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่นี่เองเพราะเรายังอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็หยุดใช้ร่างกายนี้เท่านั้นเองอย่าไปใช้ร่างกายหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย การที่เราจะไม่ใช้ร่างกายหาความสุขเหล่านี้ได้เราต้องมีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราสามารถหาความสุขอีกแบบหนึ่งได้ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ต่อไปเราก็ เ, กเลิกใช้ร่างกายได้พอเรามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งได้วิธีที่จะหาความสุขอีกแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือการไปนั่งสมาธิไปทาใจให้สงบนั่นเอง การถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้เราจะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผู้ใดที่ได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะเข้าใจความความพูดของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่านัตสันติปารังสุ ข, ขงัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขต่างๆที่เราได้รับผ่านทางร่างกายเกิดสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราลองไปทําความทําใจให้สงบกันดูถ้าทําได้แล้วเราจะไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไป เราจะไม่ต้องไปเกิดกันใหม่อีกต่อไปนี่คือความวิเศษของการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะไม่ในโลกนี้ไม่มีใครรู้ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไรและไม่มีใครรู้วิธีที่จะหยุดการเกิดได้อย่างไรบางทีไม่รู้เสียได้ซ้ําไปว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ก่อนที่มีความรู้ทั้งโลกมากๆ ทางวิทยาศาสตร์นี่กลับไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่าตายเกิดเสียได้ซ้าไปเจดว่าตายมาแล้วเกิดเกิดมาแล้วตายไปก็จบงั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องทําบุญทำบาปให้เสียเวลาสู้มาหาราบยศสละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายกันดีกว่าในขณะที่ยังหาได้เพราะต่อไปเวลาร่างกายตายไปเดือแก่เจ็บเดือแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่สามารถหาได้ นนพวกนี้ยิ่งฉลาดกับยิ่ ง, งโง่เพราะคิดว่าชีวิตของเรามีอยู่ที่ร่างกายนี้เพียงส่วนเดียวพอร่างกายตายไปแล้วก็จบเง น, นตอนนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ต้องรีบใช้มันให้หาความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นี่ก็คือการกระทรําด้วยความเห็นของบุคคลส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศที่จเจริญทางด้าน ทางวิทยาศาสตร์เขาจะไม่เชื่อเรื่องของศาสนาเขาจะไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่คิดว่าตายไปแล้วจะมีการไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเขาจึงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพื่อให้เขามีความสุขในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่น่าสงสารเพราะจะไม่มีวันที่จะ ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้แต่พวกเรานี้โชคดีเรามาเกิดในเมืองพุทธในเมืองที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าพวกเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันและการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นทุกข์ความสุขที่เราได้จากการเวียนว่ายตายเกิดมันนิดเดียวเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อเนี่ยมันชิ้นเล็ก กินเข้าไปก็มีความอริดอร่อยเพียงนิดเดียวแต่พอไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่มันจะเจ็บไปตลอดถึงตะวันตายพอปลาที่ไปฮุบเหยื่อนี้มันก็ย่อมต้องถูกเข า, าลากขึ้นจากน้ําแล้วก็เอาไปใส่ในหม้ อ, อกแกงต่อไปอฉันใดพวกเราที่หาความสุขจากร่างกายหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ก็เป็นเหมือนปลาที่ไปฮุบเหยื่อดีๆนี่เองได้ความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ต้องมาทุกขกับภัยต่างๆที่มากระทบกับร่างกายนี่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้แหละเป็นชาติเดียวเท่านั้นที่เรามีโอกาสได้รู้จักวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเลิกใช้ร่างกายหาความสุขจากลาบยศจรลเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑจะหยุดได้ก็ต้องมีความสุขแบบใหม่ต้องมีวิธีหาความสุขแบบใหม่อย่างปลาอย่าไปคุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าอยากจะหาหาอาหารก็ไปกินปลาที่มันไม่ได้ติดอยู่ปลายเบ็ดก็เท่านั้นเอง พวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยากจะมาติดเบ็ดของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็อย่าไปหาร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายในการหาความสุขต่างๆให้เรามาหาความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ทำใจให้สงบนี้เกิดจากการที่เราใช้สติที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักใช้มันหรือว่ามันยังมีกาลังน้อยเท่านั้นเอง แต่เราสามารถสร้างสติขึ้นมาให้มีกำลังมากขึ้นได้ที่สามารถที่จะทำใจของเราให้สงบให้นิ่งให้มีความสุขได้อันนี้เป็นความรู้ที่วิเศษที่หา ท, ที่ยากที่จะมาพบถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ไม่มีศาสนาไหนที่จะมาสอนให้เราจะรินสติกันให้เรามาสร้างสติมาหยุดความคิดมาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบกัน ที่เป็นความสุขที่ปราศจากพิษภัยอันตรายเหมือนกับความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายดังนั้นถ้าเราสามารถมีเวลาหาเวลามาฝึกจิตทําจิตให้สงบได้เพราะการจะทําจิตให้สงบนี้ต้องใช้เวลามากพอสมควรจะต้องอยู่ตามลําพังเอคนเขาถึงใบบวชกันเพราะการบวชนี่แหละเป็น การอํานวยการสร้างความสงบให้กับใจได้ดีที่สุดเพราะว่าจะไม่ต้องใช้ความคิดมากเวลาบวชถ้ายังทํามาหากินอยู่นี่จะต้องใช้ความคิดพอจะไปนั่งสมาธิหยุดความคิดมันจะยากแต่ถ้าไม่ต้องทํามาหากินไปบวชก็จะคิดน้อยไม่มีเรื่องราวให้ต้องคิดมากแล้วก็ทําพยายามเจริญสติให้มากๆพยายามหยุดความคิดให้ได้ เดี๋ยวไม่นานมันก็หยุดได้เดี๋ยวจิตก็จะสงบพอจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะเลิกใช้ร่างกายหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พวกที่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ส่วนใหญ่จึงเป็นพวกนักบวชทั้งนั้นเห็นไหมครูบาอาจารย์ต่างๆพราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบต่างๆพระสุ ป, ปฏิปันโนล้วนเป็นนักบวชทั้งนั้น เพราะว่าการเป็นนักบวชนี้มันจะทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติมาหยุดความคิดมาทำใจของเราให้สงบให้มีความสุขพอเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็เลิกใช้ร่างกายในการหาความสุขเราก็จะไม่มีความอยากที่จะได้ราบยศสรรเสริญไม่มีความอยากจะได้ความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ่นกายต่อไป พอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วร่างกายก็ไม่มีความหมายกับเราอีกต่อไปเมื่อก่อนเราลักตัวกลัวตายเสียดายหวงร่างกายเพราะเราเหมือนกับหวงมือถือเพราะถ้าเราไม่มีมือถือเรารู้ว่าเราจะเดือดร้อนกันเราจะไม่สามารถติดต่อกับคนนั้นคนนี้ทำอะไรต่างๆผ่านทางมือถือได้แต่พอเราเลิกใช้มือถือได้เราก็จะไม่เดือดร้อน มือถือหายก็ไม่เดือดร้อนมือถือแบตหมดก็ไม่เดือดร้อนมือถือเสียเราก็ไม่เดือดร้อนชั้นใดถ้าเราเลิกใช้ร่างกายได้ต่อไปร่างกายแก่เราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเราไม่ต้องพึ่งมันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราต้องพึ่งมันตอนที่เรายังไม่สามารถหาความสุขจากการทาใจให้สงบได้ เราต้องคอยดูแลรักษาร่างกายของเราอย่างเต็มที่แต่พอเราสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้แล้วร่างกายมันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราอีกต่อไปเราก็สามารถที่จะให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายโดยที่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันได้และพอมันตายไปเราก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไป เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายนี่แหละคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านหาความสุขแบบนี้กันท่านหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบแล้วก็เลิกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะภาต่างๆจึงทาให้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปท่านก็ยังอยู่ แต่อยู่แบบไม่มีร่างกายเหมือนคนที่อยู่แบบไม่มีมือถือคนที่มีมือถือกับคนมีมือถือใครวุ่นวายกว่ากันคนมีมือถือนี่ต้องคอยวุ่นวายกับการคอยชาร์จแบตคอยรักษาคอยดูแลเวลาเสียก็ต้องคอยเอาไปซ่อมเวลาเวลาพังไปก็ต้องไปหาซื้อใหม่แต่คนที่ไม่ต้องใช้มือถือแล้วสบายไม่ต้องมากังวลกับเรื่องแบต เรื่องอะไรต่างๆของมือถือร่างกายก็เป็นมือมือถือที่ใจเราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนี่เองพอเราเลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายมันจะอดอยากขาดแคลนมันจะแกะ่หนังมันจะเหี่ยวผมมันจะหงอกมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้มันเป็นเครื่องมือแล้วแต่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเราต้องให้มันสวยมันงาม พอไม่สวยถ้าไม่สวยไม่งานไปหาแฟนก็ไม่มีใครเขาจะเอาเราใช่ไหถ้าเรายังอยากจะใช้ร่างกายหาแฟนอยู่เราก็ต้องคอยย้อมผมให้มันดาอยู่เรื่อยๆหนังถ้ามันเหี่ยวก็ต้องคอยไปดึงให้มันตึงอยู่เรื่อยๆก็จะวุ่นวายไปกับการคอยดูแลรักษาร่างกายแล้วความสุขที่ได้จากร่างกายก็ประเดียวประดาวเท่านั้นเองได้มาปั๊บแล้วมันก็หมดไปต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อย แต่ถ้าเราได้ความสุขจากาการสงบแล้วที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแต่งเนื้อแต่งตัวทำผ้าทำผมไปคอยเสริมสวยความงามต่างๆปล่อยมันไปตามสภาพเพราะไม่เราไม่ต้องการที่จะใช้ร่างกายไปติดต่อกับใครไปหาใครมาไปล่อใครมาให้มาเป็นแฟนกับเราแล้วเพราะเราอยู่ตามลำพังของเราได้ เรามีความสุขจากการทำใจให้สงบได้แล้วเราก็ไม่ต้องมีความสุขจากการมีแฟนนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เราจะสามารถยุติการใช้ร่างกายได้เราจะไม่ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับร่างกายไม่ต้องมาเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆทางร่างกายกันอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราถือว่าโชคมีโชคมาก พราะนานๆจะได้มาเจอคนอย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งคนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของพวกเรารู้ว่าทำไมพวกเรายัางต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่และรู้จากวิธีที่จะทำลายการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยการสอนให้พวกเรานี้มาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขเท่านั้นเองเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมาใช้ใจมาหาความสุข ด้วยการระ ง, งับการใช้ร่างกายชั่วข่าวในการหาความสุขก็คือไปบวชกันบวชสั้นบวชยาวก็ได้ตอนต้นก็อาจจะลองบวชสั้นดูก่อนทดลองดูก่อนบวชสักสามวันช่วงนี้หยุดห้าวันก็ไปบวชชั่วข่าวได้บวช ด, ด้วยการถือศีลแปดนี่กถ็ถือว่าได้บวชแล้วยุติการใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆไม่ไม่นอนกับแฟนไม่กินอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่แต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้เป็นการบวชชั่วคราวบวชสามวันหวันแล้วก็เอาเวลาที่บวชนี้ไม่ต้องไปทางานทำการนี้มาฝึกสติกันมาคอยควบคุมความคิดกันหยุดความคิดกันให้ได้ด้วยการใช้การเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้ก็เป็นการเจริญสติ เป็นการห้ามความคิดได้ถ้าเราคิดถ้าเราบริกรรมแต่พุดโธพุดโธไปภายในใจเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้พอเราไม่คิดใจเราก็จะเบาจะเย็นจะสบายเพราะความอยากไม่มีนั่นเองแล้วพอถ้าเรานั่งนั่งเฉยๆได้นั่งหลับตาได้จิตก็จะนิ่งได้อย่างเต็มที่ พอนิ่งเต็มที่ความสุขที่เต็มที่ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสทันที <c oughs> พอเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วทีนี้เราก็เลิกหาความสุขแบบเก่าได้ทุกครั้งอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งสมาธิแทนนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธห้านาทีมันก็สงบละถ้าเราทําบ่อยๆทําจนชํานาญก็เหมือนกับการขับหัดขับรถเนี่ย ตอนต้นเวลาเราหัดขับรถนี่รู้สึกมันจะยากไปหมดไหนจะต้องมีพวงมาลัยไหนจะต้องมีเบรกมีเกียร์มีคันเร่งแต่ถ้าเราหัดขับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะชำนาญแล้วมันแทบจะไม่ต้องคิดเลยพอกระโดดขึ้นนั่งปับ๊บมันก็สตาร์ทรถออกวิ่งได้เลยฉันได้ใหม่ๆแล้วก็วรู้สึกว่ามันอึดอัดเวลาจะนั่งก็อึดอัดจะพูดโทรก็อึดอัดเพราะมันไม่เคยทามันก็เลยไม่รู้สึก มันเลยรู้สึกว่าทําไปแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่ามันก็ลังเลยสงสัยไปตอนนี้เราต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามเชื่อพระพุทธเจ้าบอกพุทโธไปเถอะอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรเดี๋ยวจะได้เห็นผลเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราพุทโธไปอย่างเดียวได้นับรองเดี๋ยวจิตมันจะรวมจิตมันจะสงบให้เราเห็นกับตาของเราพอเห็นกับตาแล้วเทนี้มันหายสงสยัยสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ถ้าอยากจะเห็นความสงบนี้ฟังอย่างเดียวจะไม่เห็นเนพระเทศทุกวันทุกวันให้ฟังเนี่ยฟังไปแล้วมันก็ยังไม่เห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อเราไปเจริญสติกันไปนั่งสมาธิกันไปพุทโธพุทโธกันถ้าเราทำได้รับประกันได้รับรองได้ว่าจะต้องพบกับความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วพอได้มาแล้วทีนี้เราจะไม่ต้องหาความสุขในรูปแบบเดิมอีกต่อไป ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมียศมีตำแหน่งไม่ต้องมีใครมาคอยชมเราอไม่ต้องไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวทำใจให้สงบก็มีความสุขแล้วนี่แหละคือวิธีที่เราจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ยุติความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ได้เพราะความทุกข์มันก็เกิดจากการเกิดนี่เอง การเกิดก็เกิดจากการที่เรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่พอเรามาพบกับพระพุทธเจ้าเรือพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยสติของเรานี่แหละพอเราสร้างสติมีกําลังที่จะทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขในรูปแบบอื่นอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายกต่อไป ถึงแม้ยังมีร่างกายอยู่จะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ต้องดูแลรักษามันเราไม่ต้องการให้มันอยู่แล้วมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็เรื่องของมัน men, เราจะไม่ทุกข์แล้วมันพอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเราก็จะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ที่เราเรียกว่านิพพานกัน ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมีแต่บรำ ม, มาสุขนิพพานังปรมังสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของชาวพุทธเราชาวพุทธเราเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้เราจะได้รับประโยชน์เราจะได้หลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้รับความสุขของพระนิพพานที่จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านจงนําเอาคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ไปพินิษพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและการสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกบปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติ อาระโสยทาสพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีกายุโกภะอธิวาธนศีลิศนิจังอุทธาปจายโนยตาโรธมะวทาติอายุวโนอสุขัง ลาําดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามที่เกี่ยวกับธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศรรีลเรื่องภาวนาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่มีใครจะถามไม่อยากจะถามทางปากก็เขียนเป็นข้อความส่งมาก็ได้แล้วจะมี พิธีกร อ, อ่านคำถามให้แต่ขอความกรุณาให้ถามในช่วงนี้ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันวันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสามร้อยี่สกคนยูทูบเก้าสิบหกคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบคนผู้รับฟังบนเขาสองร้อยสามสิบหกคนรวมทั้งหมดหก8้อยเจ็ดสิบแปดคนครับอาจารย์อ่าต้าด ก็มีการถ่ายทอดมีคนติดตามทุกวันอย่างน้อยก็ประมาณห้าร้อขึ้นไปทางบ้านอยู่ตั้งอยู่สี่ิอยู่สสิกว่าประเทศเดี๋ยวนี้ที่ติดตามแล้วก็จังหวัดก็ห0สิกว่าจังหวัดด้วยกันเดีย๋ยวนี้เรามีสื่อที่สามารถาติดต่อกันได้อย่างกว้างขวางถ้ามาไม่ได้ก็ยังติดตามได้มีการถ่ายทอดสดทุกวันบ่ายสองโมงถึงประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบห้า ใครมีคำถามก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้อตอนนี้กจะให้เริ่มถามเลยมีคำถามอะไรก็ว่าไปเลยทางบ้านนะคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะความเมตตาในพมวิหารสี่คือเมตตาถึงระดับไหนคะความเมตตาก็คือความปรารถนาดีความมีไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทั้งหลายก็หวังดีกับเขาเจอเขาก็ยิ้มให้เขาทักทาย สารทุกข์ถามสา ร, สารทุกข์สุขดิบกับเขาถ้ามีของมีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งให้เขาบ้างอันนี้คือความเมตตาทำไปตามกำลังของเราทำได้มากได้น้อยก็ทำไปยิ่งทำได้มากก็่ ง, ย, งยิ่งได้ประโยชน์มากทำน้อยก็ได้ประโยชน์น้อยประโยชน์อันแรกก็คือความสุขที่เราจะได้รับเวลาเราได้แผ่เมตตาได้กระทาความดีต่อผู้อื่นเราจะมีความสุขใจเรา ผลอย่างอื่นก็มีหลายประการเช่ น, นตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษจะทำใจ ม, มีสีหน้าผ่องใสมีเวลาจะนั่งสมาธิก็ทำใจให้สงบได้ง่าย แล้วถ้าเวลาตายไปถ้ายังไม่รู้ถึงผลที่สูงกว่าก็จะได้ไปเกิดในพรมโลกนนี่คืออ น, นิสง์ของการมีความเมตตาถามว่าทำเท่าไหร่ก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ทำไปตามกำลังของเราเคยนั่งสมาธิแล้วตกหลุมตกบอ่อ แต่ครั้งหลังๆไม่ต้องตกแล้วขาดอะไรคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้น อ, อ๋อไม่ขาดหรอกมันน เ, เวลาใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปมันจะไม่มันไม่มันไม่ตกก็ไม่เป็นปัญหามันก็เข้าไปสงบนิ่งก็ใช้ได้เหมือนกันขอให้เราถึงจุดที่มันสงบแล้วนิ่งแล้วมีความสุขจะเข้าไปแบบไหนก็ได้จะเข้าแบบตกหลุมตกบอ่อก็ได้หรือไม่ก็ได้เด็กสาวสมัยนี้นิยมแต่งกายโป๊ ใส่สปอร์ตบราเปิดหน้าท้องไปให้เทรนเนอร์ชายในห้องยิมเทรนแทนที่จะแต่งกายมิดชิดท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างไรเจ้าคะก็เห็นอย่างนั้นแหละจะว่ายัางไงนะไม่มีความคิดเห็น <laughs> ก็สักแต่ว่าเห็นไปพระพุทธเจ้าบอกเห็นอะไรก็ให้เห็นไปอย่าไปคิดมากไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เข้าใจไหมถ้าเราไปไปเห็นแล้วเราไปคิดว่าไม่ควรต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมา เขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้ น, น, น, นความหมายก็คือก็จะเป็นเดรัจฉานไงเดรัจฉานก็ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเห็นหมาใส่เสื้อผ้าไหม <laughs> นั่นแหละเขาอยากจะเป็นหมาก็ปล่อยก็เป็นหมาไปเท่านั้นเองไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแต่พอเกิดอาการปวดให้เรามีสติอยู่ที่พุทโธหรือใช้สติกำกับที่อาการปวดคะ ถ้าดูลมไม่ได้ก็ให้อยู่ที่พุโทโธอย่าไปอยู่ที่อาการปวดเพราะจะทําให้ปวดมากขึ้นเพราะจิตจะอยากให้มันหายปวดยิ่งอยากให้มันหายมันก็ยิ่งปวดมากขึ้นนั้นอย่าไปอยู่ที่จุดที่ปวดให้เด็กเลี่ยงอย่าไปคิดถึงมันเหมือนเราดูหนังเนี่ยเราปวดฉี่เรายังนั่งดูได้เพราะเราจิตไม่ได้อยู่ที่การปวดฉี่มันอยู่ที่การดูหนังมันก็เลยนั่งดูต่อไปได้ งั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็ต้องใช้พุโทโธเป็นเหมือนดูหนังดูพุโทโธไปพุโทโธพุธโทโธไปแล้วอาการเจ็บปวดมันจะไม่มาลบกวนใจแล้วเราจะอยู่กับอาการเจ็บปวดนั้นได้คำถามจากคุณกิตติดาทางพุทธมีการมองเรื่องกรรมเป็นของปัจเจกบุคคลอย่างเดียวหรือครับคือเป็นเรื่องของคนคนนั้นคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนที่อยู่ใกล้ๆเลยมีการมองเรื่องกรรมแบบมหาภาพไหมครับ หรือกรรมของคนในสังคมนั้นๆโดยรวมแม้บางคนจะไม่ได้ทำก็ต้องรับผลไปด้วยเพราะอยู่ในสังคมเดียวกันคือกรรมใครทำก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ผลกระทบจากการกระทาของคนนั้นอาจจะไปมีผลกระทบกับผู้อื่นเช่นเราไปฆ่าเขาเมันก็มีผลกระทบกับคนที่ถูกฆ่าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของ ผลกระทบที่เกิดจากการกระทาของคนคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งแต่ผู้รับผลก็คือผู้ที่ฆ่าผู้ที่ถูกฆ่าไม่ได้รับผลเพราะเขาได้รับผลแล้วคือเขาตายอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาเกิดนั่นเองจึงทำให้เขาต้องตายผลของการเกิดก็คือการตายถ้าไม่มาเกิดก็จะไม่ตายคำถามจากทางเฟ e บุ o กค่ะคุณคณิ t h าขอความชี้นาพระอาจารย์เมื่อเราถูกสามีด่าทอแรงๆ โดยไม่รักษาจิตใจกันเลยเราควรทําอย่างไรดีคะเราก็คิดว่าเขาเป็นเด็กนะเห็นไหมเวลาเราเลี้ยงเด็กนี่เวลามันโมโหมันก็ด่าเราได้นะเลี้ยงลูกนี่บางทีเลี้ยงเราไปขัดใจเขาเขาก็เลยโมโหเขาก็ไม่มีสติที่จะยับยัง้งแต่เราไม่โกรธลูกใช่ไหมไม่ถือสาถ้าเด็กทารกนี่ทำอะไรผิดเราก็ไม่ไปโกรธเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กเด็กไร้เดียงสาคนที่ทําอะไรด้วยความโกรธก็เป็นเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสา ั้นแทนที่เราจะไปโกรธเขาเราควรจะเมตตาสงสารเขาให้อภัยเขาแสดงว่าภาวะจิตใจของเขายังเป็นเด็กอยู่แล้เราก็จะไม่โกรธเขาให้อภัยเขาได้คําถามจากทาง youtube ค่ะอยากกราบถามว่าเพื่อนเพิ่งเสียชีวิตกระทันหันตกใจมากสงสารเขาอยากกราบถามว่าควรทําอย่างไรคะที่จะส่งบุญให้เขาได้ก็ทําบุญใสาบาตถวายสังฆทาน ปล่จากเงินให้กับสถาบันต่างๆก็ได้โรงพยาบาลโรงเรียนให้เงินทองใครไปเราก็จะเกิดความรู้สึกคือความสุขใจขึ้นมาเราก็สามารถแบ่งความสุขใจนี้ให้กับเขาได้ถ้าใจเขามีความทุกข์พอเขาได้สัมผัสกับความสุขใจที่เราส่งไปให้เขาก็จะบรรเทาความทุกข์ใจของเขาได้คําถามจากคุณจงแจงการถือศีลแปจะทานอาหารเช้าได้หลังจากเห็นลายมือหรือเปล่าคะ ตามหลักของพระพุทธศาสนานี้เราจะนับวันใหม่ตอนที่เราเห็นลายมือแล้วต้องเป็นแสงจาพระอาทิตย์นะอย่าไปเป็นแสงจาาไฟฟ้าถ้าแสงจาาไฟฟ้านี่ตีหนึ่งก็เห็นลายมือคำถามจากคุณวรวรุธกลับน้ำมศการพระอาจารย์ครับในขณะทำสมาธิภาพของพ่อแม่ครูอาจารย์จะเกิดขึ้นมาทุกครั้ง กระผมสามารถยึดเป็นอารมณ์ในการทำสมาธิได้ไหมครับผมควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับได้ก็พยายามให้ภาพนั้นอยู่กับตาเราไปต่ออย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนถ้ามีภาพนั้นแล้วเราใจจดจ่ออยู่กับภาพนั้นใจเราก็จะนิ่งจะสงบได้คำถามจากคุณโชคดีตลอดเวลาการบังสุกุลวันสงกรานได้บุญมากน้อยต่างกันกับการทำบุญปกติแล้วเราอุทิศ ส, ส่วนกุศลไหมคะ ไม่ต่างกันหรอกวันเวลาไม่ต่างกันอยู่ที่จํานวนที่เราทํามากน้อยถึงจะต่างกันทํามากก็ได้บุญมากทําน้อยก็ได้บุญน้อยคําถามจากคุณประนอมกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคุณแม่ของดิฉันท่านอายุประมาณเจ็ดสิบช่วงนี้ตอนกลางคืนมักชอบประเมอเสียงดังมากซึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาท่านจะเล่าให้ฟังว่า ท่านมักชอบฝันว่าท่านหลงทางกลับบ้านไม่ถูกถามใครๆก็ไม่มีใครตอบท่านท่านจึงพยายามวิ่งหาทางกลับบ้านด้วยความกลัวมากจึงเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าจะแนะนำคุณแม่ท่านอย่างไรดีเจ้าคะก็ให้ท่านพยายามไหว้พระสวดมนต์มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ใจสงบเวลานอนหลับจะนั้นไม่ฝันร้ายการฝันร้ายส่วนหนึ่งก็ฝันนี่เกิดจากความกลัวเมตตาสัยขี้กลัว แล้วก็จะพยายามที่จะบางทีอาจจะไปทำบาปเพื่อจะทำให้ความกลัวหายไปแต่ไม่ไม่หายยิ่งทำาก็ยิ่งกลัวใหญ่วิธีให้ความกลัวหายไปก็คือทำใจให้สงบหัดไหว้พระสวดมนต์จะได้หยุดคิดปรุงแต่งไปในทางความกลัวพอหยุดแล้วเวลานอนหลับมันก็จะไม่ฝันไปในเรื่องของความกลัวต่างๆคำถามจากคุณรุ่งกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงพระฉันมะม่วงจิ้มพริกเกลือได้หรือเปล่าครับมะม่วงไม่ได้หรอกเพราะมะม่วงถือว่าเป็นอาหารเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่เป็นยาแต่ถ้าผลไม้หรือผักที่เป็นยานี้ท่านฉันได้ทีา่านรู้สึกใบตําลึงนี้ฉันเป็นยาได้อาจจะเห็นภาพบางแหง่งท่านเอาใบาตําลึงมาจิ้มเกลือจิ้มน้ําตาลน้นําตาลก็ฉันได้เกลือก็ฉันได้ เอาใบตำเลงมาจิ้มอยนี้ก็ยังฉันได้ถือว่ากําลังฉันยาอยู่ไม่ได้ฉันอาหารแต่หน้านี้มันมีมัม่วงออกมาแล้วทําเป็นน้ําปลาหวานนี่มันไม่ได้เพราะหนึ่งน้ำปลาก็เป็นอาหารเพราะมีเนื้อปลามีมีส่วนของปลาอยู่ฉะนั้นของบางอย่างนี้ญาติโยมเห็นแล้วอาจจะคิดว่าเป็นอาหารแต่ความจริงมันเป็นยาพระธ่ามักจะเรียกคําว่าปรมัดยาปรมัตด ส่วนใหญ่พระนี้ท่านอาศัยยาพวกนี้ช่วยช่วยระบายเพราะอาหารที่พระได้จากคนยากจนนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเป็นของที่กินแล้วมันจะถ่ายยากท่านก็เลยจะเป็นท้องผูกกันท่านก็เลยต้องหาพวกสมอดองเนี่ยมาดองสมอสมอดองนี่เวลากินเข้าไปแล้วมันจะถ่ายทําให้ถ่ายง่ายระบายง่ายสมอดองกับใบใบสมุนไพรต่างๆ มาจิ้มกับเกลือจิ้มกับน้ําตาเนี่ยฉันแล้วก็จะช่วยทําให้ไม่เป็นฤทิ์สีดวงทวาวรคําถามจากทาง u t u b e ค่ะพ่อแม่อยากให้มีบุตรเพื่อสืบสกุลแต่ผมไม่อยากมีไม่อยากมีพันธะไม่อยากมีภาระแต่มีพระสูตรที่กล่าวถึงหน้าที่ของบุตรคือสืบวงตระกูลกระผมควรทําอย่างไรดีครับคือหน้าที่ของบุตรถ้ามีก็ต้องทําไปถ้าไม่มีก็ไม่มีเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นปัญหาแล้วสืบไม่สืบก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีใครรู้เนี่ยปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วยี่ร้อยปีที่แล้วมีใครไปรู้เรื่องของเขาหรือเปล่ามันก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นไม่มีเราก็ไม่เป็นไรมีคนอื่นเขาสืบของเขาไปการสืบตะโกนี้มันก็เป็นเป็นทุกข์ถ้ามองระดับที่สูงคือว่าการเกิดมันไม่ดีเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ถ้าาไมม่่เกกิดดันจะีวคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะคุณ อ, อัมพรจากเยอรมันนะเจ้าคะตอนนี้โยมผ่าตัดเท้าพักป่วยหกอาทิตย์มีคำแนะนำสำหรับการภาวนาในช่วงนี้ไหมคะธรรมดายงมทำงานก็จะดูจิตมีเวลาก็ทำในรูปแบบนะคะก็ทำต่อไปพยายามฝึกสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิด ใช้พุโทโธก็ได้ใช้ท่านนั่งเฉยๆดูลมหายใจเขาออกก็ได้ถ้ามีการเคลื่อนไหวก็ดูการเคลื่อนไหวไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆตอนนี้เราถือว่าโชคดีได้ปฏิบัติเพราะไม่ต้องไปทำงานว่เาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปทำงานเวลาทำงานก็จะเจริญสติได้ยากหยุดความคิดได้ยากเพราะต้องใช้ความคิดไปกับการทางาน ดังนั้นถ้าเราจะมองในแง่ดีการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันกลับดีสําหรับการปฏิบัติถ้าไม่เจ็บจนถึงขั้นปฏิบัติไม่ได้นะถ้าเจ็บแล้วสามารถที่จะปฏิบัติได้ก็จะทําให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติกันเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเราสบายเราก็จะไปทํางานกันพอไปทํางานมันก็ต้องใช้ความคิดมันก็จะไม่สงบเห้นตอนนี้เราอยู่บ้านไม่ต้องไปทํางานเวลาจะคิดก็หยุดมันแล้วใจจะสงบแล้วจะมีความสุข หมดแล้วเหรอคำถามหมดเจ้าค่ะเหลือประมาณสองนาทีมีใครอยากจะถามมั่งไหมการควบคุมจิตใจนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะจิตใจที่ได้รับการควบคุมแล้วจะเป็นจิตใจที่นําแต่ความสุขมาให้ถ้าควบคุมจิตใจไม่ได้ก็จะเป็นจิตใจที่นําแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมาให้ความวุ่นวายใจของเราปัญหาต่างๆไม่ได้เกิดจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แต่เกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบได้เท่านั้นเองถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้อยู่ในความสงบได้เหตุการณ์ต่างๆการกระทําของบุคคลต่างๆจะไม่มีความหมายสําหรับจิตใจของเราใจเราจะไม่เดือดร้อนเราจะปล่อยวางเขาเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขา พอเรามีความสุขในตัวเราเราไม่ต้องพึ่งเขาแต่ถ้าเราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็ต้องไปพึ่งเขาพอเราไปพึ่งเขาพอเขาทาท่าจะให้เราพึ่งไม่ได้เราก็จะเดือดร้อนเท่านั้นเองดังนั้นเราหัดมาควบคุมทำใจของเราให้สงบมีความสุขกันดีจดีกว่าเมื่อมีความสุขแล้วเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ จะทำให้ใจเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายกับการเกิดการดับของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องดับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมถ้าเราไม่ต้องไปพึ่งเขาแล้วเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไปกับเขานี่คือประโยชน์ศกที่เราจะได้รับจากการที่เราพยายามควบคุมใจด้วยการฝึกสติอยู่เรื่อยๆใช้พุโทโธหยุดความคิด เลยถ้าไม่คิดก็ให้มันเฝ้าดูการกระทําของร่างกายหรือดูลมหายใจถ้านั่งเฉยๆอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วใจจะสงบแล้วต่อไปเราจะควบคุมความคิดได้เวลาใจจะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ก็หยุดมันได้เวลาจะไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะหยุดมันได้แล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์เลยเอาละนะก็พอดีหมดเวลา